ถามถ้านำเอาเชื้อของบีดาและไข่ของมานดาไปใส่ในมดลูกของผู้หญิงอื่นใครเป็นแม่กันแน่เหมือนเด็กในหลอดแก้วอันนี้ก็ชัดอยู่แล้วคือตัวมานดาอยู่ที่ไข่เป็นเจ้าของไข่ตัวบีดาอยู่ที่สเปิรม์มเป็นเจ้าของเชือ้อก็ชัดอยู่แล้วเป็นฝ่ายผีช้านิยามคนอื่นเป็นเพียงที่อาศัย